ถึงพระอั拉รมเหสีเวทิสาและสมเด็จพระชนนีวิมังสามาถวายด้วยในพระราชสารเป็นข้อความส่งความระลึกถึงมายัางสมเด็จพระรา ช, ช น, านีและพระอั拉รมเหสีรวมทั้งพระโอรสธิดาสตรีผู้มีบุญทั้งสองได้ทราบจากพระราชสารว่าการรบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย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 คุณความดีสร้างหรือความชั่วที่บุคคลทำเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนจะเร็วหรือช้าเท่านั้นกรรมจะให้ผลต่อเมื่อสุขงอมเต็มที่ผู้ตั้งใจทำความดีจึงควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองประการคือความเพียรพยายามในการทำดีอย่างไม่ท้อถอยภาสิทธในทางพุทธศาสนาที่ว่า